อ่าตั้งใจฟังมุเช้าใครมาช่วงเช้าจําได้ไหมว่ามุ่งเช้าเราคุยเรื่องอะไรมุเช้าหิ ว, าวข้าวคนนั้นเกิดจําไรไม่ได้ไปเทศอตอนคนหิวข้าวจาอะไรไม่ค่อได้ออืแล้วมื่ออื่นมุ่งเช้าเครื่องอัดก็เสียอีก คือแบดมันหมดแบดมันหมดคือมานกาคนเหล่าแบดมันอ่อนมันไม่มีแบตเลยใช้ไหม่ไรน้องเมยเช้าเราพูดถึงเสียดายรับ พ, พูดอันนีพูดีกรอบเพื่อเราจะได้พูดต่อตั้งเช้า เราพูดถึงจริงที่ไม่เร้าฟว่าฝากจ้าจะฝากพวกเราสองคำ น, งครรนี่คือทำดีในซึ่งเราเรียกวิาาศาสนาแล้วเราก็ถะเป็นาศาสดาคือครูของพวกเราเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ศึกษา ท ร, รมันมีวีไัยก็คือสิ่นั่นแหละมันก็เท่ากับเราไม่เชื่อคำพุทธเจ้าโดยปริยายพระธรรมถ้าไม่ใบอกเรียกพ ร, รพระธรรมพระวินัยก็เพรว่าเหตุเกิดจากผู้ชิงเจ้าเป็นพระราชาหมายก็สักเวลาคำพูดการเจียกิยาอาการขอบใจ เช่นของกษัตริย์เก้า อ, อี้ธรรมดาเป็นพระเก้าอี้ น, นี่เป็นต้นจะมีพระนำหนาเพราะนั้นทำก็ดีวินัยก็ดีเนื่องจากเกิดจากพระเจ้าจะเป็นกษัตริย์เราจึงใช้คำนำหน้าว่าพระสิ่งที่ตามมาก็จะตามมาสดชื่นพระรันตนใจอย่างนี้เป็นต้นก็นิยมมาจากที่ เกิดจากมือชาวเป็นหลักนั่นเองนี่คำสองคำคือทำกับวิในความสำคัญที่สุดในชีวิตของเราของมโุษย์โลกทำมือชาวเราบอกแล้วมุ่งไปที่ใจคือทำคุ้มครองใจวิในคุ้มครองกายทั้งใจ และกายต้องมีสติถึงจะเข้าใจสิ่งเหล่านี้ถ้าไม่มีสติก็ไม่มีทางเมื่อไม่มีสติปัญญาก็ไม่มีแต่บอกว่าคนที่ไม่มีสติเรียกไปเหตุชัดให้หง่ายก็คือก็เหมือนกับบ้านเรือนนัมีคนอยู่เหมือนตอนนี้มันเราออกจากบ้านจากห้องตอนนี้ ไม่มีใครอยู่บ้านเลยออกจากบ้านแล้วเดี๋ยว ก, กลับก็ไปใหม่กว่ามันมีสติเหมือนกันเมื่อสติก็ออกจากร่างคือตัวเราคือมันมีสติเมื่อไหร่มันก็คล้ายๆกันโบราณท่านยุคยปีให้ฟังว่าเมื่อบ้านไม่มีคนอยู่ บางคนหนีผีเข้ามาในโบราณมาเปรียกคัถ้าายังมองเห็นไม่ชัดลองมองไปอีสลาอีกฟังหนึ่งตอนนี้เมื่อ่อนก็เรียกว่าคนแต่พอหมดแล้วพอใจมันไม่อยู่กับบ้านแนละ้วคือจิตออกจากบ้านก็ออกจากบ้านแนละ้วนั่นถ้าเขาว่าผีเขาเรียกว่าผีเลย ก็กลัวผีกันซึ่งไม่รู้ว่าผีคืออะไรนี่ลักษณะเหมือนกันถ้าบ้านเราเหมือนร่างกายจิตใจเราเหมือนคนเหมือนกันคล้ายกันแต่จะไปฟังเทศน์ฟังธรรมอะไรไม่ได้แล้วรับศีลรับพรอะไรไม่ได้แล้วเือแต่กายโดยแต่ดินน้ําไฟลมไม่มีไอ้ขันหา่านมันก็ไม่ครบเหมือนพวกเรา นี่นคือลัก่ณะคนตายง่ายๆคือคนตายคนนี้มีสติพระทรนก็จะย้ำวมาสวดสุดท้ายอ็อจิรางมตยังกาอยู่ก็วะเป็นอิเ ส, สติจุดท้เบตเวิญญาโนนิรธาทาัาา้งวาคลิรังอักเป็นตรนิญาณโนนิรธาทัจงัรง วิญญาณแล้วก็เหมือนกับท่านไม้ท่านฟืนมันหาประโยชน์อะไรไม่ได้ร่างกายเราเ็เหมือนกันเพราะนั้นที่บอกว่าข้าวชาวยก็คือบุ่งไปตัวนี้เป็นหลักเพราะนั้นสองขั้นขยายความกคือทำกับวินญาตัวที่มันเราจะตั้ตงฝืนก็คือสตินี่เป็นเรื่องสำคัญทำมิสติเก็มันก็ บ, บรรล้างมากีหรอบ มัานไม่มีคนอยู่สุขอบกสูงมุมไม่มีคัดความสะอาดอยากใ่ญ่ขี่ฝนอะไรมันมจะตามมาในร่างกายฉะนั้นการปฏิบัติธรรมก็คือั้งการมุ่งให้วเรามีสติทำไมถึงมีสติสติมันเกิดขึ้นอย่างไรสติมีประโยชน์อย่างไรเพราะฉะนั้นสติเรารู้ว่าสตินะ่ะสำคัญที่สุด คนที่จะมีสิ่มีธรรมคือทธรรมในถ้าสติไม่อยู่กับตัวสิลหรือธรรมมัก็ไม่มีถ้าใครมีสติเรองสิ่งกคงไม่พลาดเรื่องธรรมก็คงไม่พลาดแลคนที่มีสติเท่านั้นที่จะเข้าใจสิ่งเหล่านี้มันนัเข้าใจเรื่อ ง, อ ง, อ ร, งรูปเรื่องนามเรื่องกายเรื่องใจแล้วเอาดูสติไปไดีมากกว่สติประกอบกันตอนก็มากับสติ สติคนนี้มันเป็นที่มาขั้นตอนของาสติก็จากอะไรเอาสติบ่งคนมีสติฝึกทาไมสติแล้วสติก็มาอยู่ที่จิตก็ติเที่ยวที่จิตจิตก็ไปเพ่งอยู่ตรงไหนก็เอาตัวลมตัวกำลังลมเกิดจากอะไรมันเกิดจากกาย มันต่อเรื่องกันเลยเป็นอันเดียวกันลงหรือจากกายทต่นิสติถ้ามารู้จักกายคือรู้ตัวอย่างทิพย์ที่บ่อรู้ตัวจะเกิดตัวรู้รู้ตัวคือรู้กายก็ยกกายเพื่อพิจารณาเพื่อให้เปิดปัญญาเราสามารถที่จะยกเสิ่งใดสิ่หนึ่งขึ้เกิดเป็นอุปมาอปมาุปไมยให้เห็นง่ายๆเราเรียกขั้นตอนนี้ว่าสอนจิม คือฝึกจ <chair> <as> ิตให้มันเกิดความรู้ให้มีความรู้เหมือนเราสอนเด็กจิตถ้าเราไม่ไม่รับการอบรมไม่รับการสั่งสอนเลยเหมือนเราปล่อยปละเลยเด็กโตมาก็ปล่อยธรรมชาติไม่มีการเรียนรู้ไม่มีการฝึกอบรมเด็กมันจะเป็นอย่างไรโตมาแล้วจะเป็นอย่างไรถ้าไม่เรียนเลยไม่ศึกษาเลยอันนั้นคือธรรมชาติของจิตเพราะนั้นเมื่อจิตมีสติอย่างไยกระชบกขึ้นมาสอน พอสอนจิตด้วยการอบรมมาอบรมใม่ของที่มีอยู่ในโลกนี้อะไรจะได้ที่สามารถเห็นได้ของห ย, ยาบๆของธรรมดาของเพื่อเพื่อให้จิตมันจําเพื่อใหจิดมันเข้าใจเพื่อใหจิตนเรียนบทเรียนแต่ละขั้นแต่ละตอนมันจะเข้าใจในการอบรมาอบรมม่เช่นเราคุยเรื่องน้ําซึ่งกป็นธาตุหนึ่งในธาตุทั้งสี่นะถ้าจะพูดถึงน้ํางทอาจจะนึกราเถึงเลือด น้องก็อยู่ในกายเอาให้มันเห็นง่ายก่อนน้ำห้วยน้อความบึงทะเลมหาสียหมดที่อยู่บนโลกใบนี้เอาจากง่ายๆที่ใกล้ตัวเขาว่าน้ำเพื่อเห็นชัดเจนน้ำจะเป็นห้วยมันก็อยู่ในลักษณะหนึ่งมือน้องคองมบึงมหาเสียหมด ถ้าพูดอย่างนี้มันมองเห็นภาพว่าทำไมถึงพูดถึงนะ้ำทีนี้มาดูเปรียบนั้นกับสภาพของจิตหรือใจของเราทุกวันจิตหรือใจของเราจิตโดยธรรมชาติคือสามัญคือทั่วๆไปเนียสมชททั่วไ ป, วววไปมันก็เหมือนกับมองเห็นน้ำห้อยน้ำของบึนหลังน้นเลออก แต่แเป็นน้ำาีกประเภหนึ่งก็คือผู้น้ำบอ่ออันนี้ต้องขุดขุดลงไปลึกคั้งแรกก็เจอน้ำรักไม้จนน้ำใตบาาบำ้บาดาลเดียวน้ำบาดาลสามสิบเมตรสี่สิบเมตรมมเป็นน้ำบริ ส, สุทธิ์สามาธิพวกเมดิมกินได้ใช้สอยได้แต่ว่ามันจะต้องขุดลงไปลึกถึงจะเจอจิตของเราคือเหมือนไกน น้ำจิตน้ำใจของเราก็ต้องขุดเข้าไปข้างใ น, นมันลึกกว่าที่เราจะรู้มันก็จะมีน้ำใจออกมาเปรียบเทียบโบมาโบไม้ เ, า ร, มเราก็จะได้น้ำที่ดีบริโภคแข่ง ส, สบายเหมือนน้ำนํำประปาน้ําอะไรก็ได้ใช้ทุกวันเนี่ยเพราะเกิดจากการขุดกันกองซึ่งน้ําบนดินงมันก็บริโภคได้ใช้แต่ดึงกินไม่ได้ใ ช, ช, ช้อาบดาใช้ริ่นทั่วเล่นจันได้ อันนั้นขอเราประเภทคือเราใช้ทั่วไปพูดยังไงจิตของเราก็เหมือนกันถ้าเราไม่ขุดลึกลงไปข้างในยากที่จะใส่สะอาดไนดะ้นี่เราพูดถึงน้ําพอจะเริ่มเข้าใจว่าโอ้จิตของเรากับน้ํากับธรรมชาติม่ะเป็นเหมือนกันคล้ายกันสติตัว น, นี้สติเราเกิดคือเราลึกนึกขึ้นม า, าเรียกว่าสติคน อ, อื่นที่ก็มีค่าเช่นเพชรพลอยเพชร เ, พเงินเจนดาทองคำ เดิมทีธรรมชาติของเขาก็อยู่ใต้ดินเขาเป็นุนเป็นคนออกมากรรมจีรนาเป็นรูปเป็นร่างกายเป็นของมีค่ามีราคามันก็แร่มันก็เป็นเห็นเป็นรัตนชาติธรรมดากายเป็ขอมีค่ามีราคาเป็นหมื่นเป็นแสนแต่อยู่ธรรมชาติของเขาก็มีใครที่มีเห็นค่าทองคามันก็แรชนิดหนึ่งเช่นเดียวกัน ก็มาหลอมาหลอเป็นรูปเป็นร่างมาตีมาแผก็กลายเปคองมีค่าเนี่ยจิตทก็เหมือนกันถ้าเราไม่ทำอย่างนี้คือไม่ขุดไม่คุยไม่ตีไม่แผลไม่เจรนมันก็ไม่มีค่าอะไรนัถ้าจิตมีค่ามีค่าต้องคุดแล้วก็เจรนายหยน้าอย่างนี้เป็นต้นสรวปก็คือจิตเนี่ยถ้าไม่ถูกดีไม่ถูกคันมันก็ไม่ได้ของดี แต่ว่าสภาพโดยที่ถูกปีบถูกคั้นแล้วทนไม่ได้เราจึงเรนะียกนั่นว่าทุกข์ทุกข์ขาวแล้วเกิดใครแล้วทนไม่ได้แต่ถ้าใครทนได้ให้เลยขั้นตอนประนั้นมันจะได้ของอร่อยเหมือนกับผลไม้แต่และลูกกว่าเราที่จะจะบีดคั้นกันกรองออกมาเป็นน้ําละเอียดจากห ย, ยาบ กลายเป็นละเอียดมันถึงจะเสวยผลหือผลของมันผลของน้ําผลขอผลไม้มันได้รสชาติที่อร่อยและน้ําตาลและปริมาณเยอะพระ้อมที่จะดื่มเข้าไปปริโภคร่างกายแต่มันต้องเลยต้องถูกบีบต้องถูกคั้นมันมันก็ได้แต่ผลกัยบยาติจิตของเราก็เหมือนกันถ้าเราถูกบีบถูกคันและวทนได้ฝึก ฝืนจนทนได้เราจะได้ของดีได้เป็นจิตในสภาพที่ดีเพราะจิตมันผ่านการถูกดีบถูกคันคือจิรในนั่นเองต่เป็นเพชรพอยนี่จินดาเรียมันเองเนี่ยถ้าปล่อยปละเลยของนี้มันก็ไม่มีข่าอะไรมันผลไม้ทั่วไปมันก็จะว่าผลไม้เนี้เขาไปขายมันก็ได้ราคาถ้าซื้อเป็นลูกลูกมันไม่กี่บาทถ้าขายเป็นแก้ว มันปางเไว้หลายสิบบาทโบราณมันเพิ่มขึ้นไปไหมจิตนีด่เดียวกันนะไอ้แต่สิ่งเหล่านี้เกิดจาสติเท่านั้นแต่ถ้าสติไม่เกิดก็ไมมีฐานเพราะฉะนั้นเบื้องต้นที่ให้เกิดจากสติฉันบอกว่านี่คืออันดับแรกเลยที่ต้องบีบจะต้องคันมันก็คืออา่านตาปีคือความเพียรควาเพียรในการเร่งทรมานในการยืนเดินนั่งเว้นนอนเป็นต้น นอการทรมานอาแต่ปีหมาแปลว่าความเพียรจักกิเลสให้ร้นคือใจนั่นแหละพอโดนปี น, นักหนักร้อนหนักหนักมันทนไม่ได้กิเลสว่าทุกขแต่สุดท้ายเราก็ตามมันเอาพอแล้วยอมมันผ่านตัวนั้งไปไม่ได้เราจึงไม่สามารถที่จะจแม้แต่ทุกข์ระยะสั้นๆข้าไม่ได้พ้นไม่ได้เราจึงเรียกคนพ้นทุกข์ไม่ได้ด้วยประการัง น, นี้ นั้นวิธีการของโบราณอาจารย์รูปอาจารย์ของเราจะเอาสิ่งเล็กะมาย้ำมาทําซ้ําบ่อยๆเดินบ่อยๆนั่งบ่อยๆนั่งนานๆเดินนานๆมันจะถูกทรมานโดยความเพียรคืออาตายปีเมื่อทรมานได้ที่ได้ทางบันร้อนเคยเปรียบเทียบไปฟังเสมอเหมือนแคบเหล็กเอาไปเผาไฟค่อนเล้วก็เอาไปตีเอามาเป็นรูปเป็นร่าเป็นนี่เป็นหอกเป็นดาบ เอาไปผนมันก็ใช้ได้มันเป็นรูปเป็นร่างเนะี่ยจิตของเราเหมือนกันแต่เราไม่เราไม่ยอมให้เป็นอย่างนั้นพทนไม่ได้ก็ใจมันร้อนขึ้นมาก็พอยอมมันจึงไม่เกิดเพราะนั้นอันนี้คือขั้นตอนแรกก็คือความเพียรเพราะนั้นสิ่งที่เราขาดตอนนี้ก็คือตัวนี้แหละความเพียรทำให้ต่อเนื่องความเพียรมีแต่ไม่ต่อเนื่องเมื่อความเพียรไม่ต่อเนื่องสติ ก็เลยว่าสติมาผู้เขามีสติคือประก่อไม่สติคือระลึกขึ้นได้ความต่อเนื่องของการรึกถึงเรียกว่าสันติสติความต่อเนื่องของสติมันไม่มีมันก็เลยขาดเกินเกินมีบ้างไม่มีบ้างก็เหมือนกับเราอยู่บ้านบ้างไม่อยู่บ้านบ้างก็เขาออกออกเขาออกเข้าเขียนแต่ก็ยังดีนะครับไปแล้วออกออกไปแล้วเข้าส่วนท้าออกไปแล้วไม่เข้าเนี่ยหมดเลยจะเรียกวคนต่าหาย มุจิดออกจากบ้างแล้วคือไม่เข้าบ้านเรื่องคนตายตายเสร็จแล้วไปหาบ้านใหม่อยู่ถ้าไม่มีทุนมีรอนจะไปอยู่ยังไงแต่เป็นทั่วไปเป็นค่าเช่าค่าอะไรก็ไม่มีก็ไปอยู่ยังไงก็กลายเป็นคนยู่บ้านนั่นแหละคือคำว่าซ้ำพวสีจิตมันเป็นซ้ำพวสีมันไร้ที่อยู่มันไม่มีที่อยู่มันเร่อร่อนจอดจอดัดมันไม่มีที่พักที่พิงหาหลักแหลงไม่ได้มีความ รายการของคนคนมีสติสติมาสัมผัชาโนรู้อะไรก็รู้กายนั่นแหละอันเรื่องจากลมลมรู้ลมลกับลมบที่จิตเมื่จิตมัตั้งที่กายเมื่อรู้กายก็สติมันก็ไป ม, มาที่กายว่ากายนี่นคืออะไรหึ่งสามสี่หัวจรวดเท้าเท้าจรวดหัวมีอะไรบ้างที่เป็นเรื่องว่ากายที่เรารูปรูปได้ดั่งที่มากับวสิทิที่เราจะต้องบริหารจัดการ ส่วนทำเป็นเรื่องขอใจที่เราปล่อยหงอคอในมุมต้นเราทําเป็นเรื่องของใจส่วนคองสิ่นี้เป็นเรื่องของขรุขกายที่เรียกว่าทำคุ้มรองใจวินัยคุ้มรองกายถ้าใครทําได้ม่าจะคุ้มกองกายถ้าทำเกิดขึ้นมีทำเกิดขึ้นแล้วมันจะคุ้มกองเจ็บของหองเราส่วนวินัยคุ้มกองกายคือไม่ให้เดือดร้อน อยู่ที่ไหนก็ปลอดภัยคำว่าคุ้มของดูแลปลอดภัยอยู่ที่ไหนไม่เป็นพิษเป็กับใครไม่เป็นโทษกับใครไม่ได้ตีน ท, ทาว่าร้ายกับใครมันก็ความสะดสบายความปกติมันก็เกิดขึ้นแต่สิ่งเหนี้มันไม่ปกติก็อเป็นปกติฝังปฏิบัติไม่ได้มันทําไม่ได้เพราะคนที่เดือดร้อนในวันก็เพราะว่าขาดสิงนี้ คือกายไม่ปกติตาไม่ปกติหูไม่มปกติตากไม่ปกตินี่คือที่มาที่ไม่ปกติเพราะว่ามขาดสติอันี้มีสติไม่มีสติมันก็มีน้อยแล้วรวมความมันก็คือสติมันเป็นเรื่องใหญ่มากๆถ้าเราขาดสติตัวเดียวเนะี่ยหมดหมดเลยสติสัมปะชะจะจึจจงเป็นที่มาของอานาปนาสติ เราจึงเรียกอีกอ่างหนึ่งว่าอ น, นาคตสี่ตัวนี้เราเรียกว่าสุดท้ายปาฏิารก็คือเพื่อให้เกิดปัญญาปุสตินามเพื่ให้มันเกิดปัญญาสติจึงต่างด้วยปัญญาเมื่อปัญญามันเกิดขึ้นอย่างที่เราพิจารณาแล้วเข้าใจแล้วขั้นตอ น, นแต่ละเรื่องแต่ละอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องรูปเรื่องนามเรื่องกายเรื่องใจ รวบมีมวินาสัญญาสังการวิญญาณจนเข้าใจเรื่องพบเรื่องชาติพบคืออะไรชาติคืออะไรก็ที่จะเป็นพบต่อจะพกพบเป็นไอ้เป็นชาติชาติแล้วเป็นอะไรความต่อเนื่องอันนี้คือหลังอธิบายของปฏิจจสมุปบาทถ้าใครอยากไปรู้รายละเอียดก็ไปอ่านในปฏิจจสมุปบาทละเอียดมากขั้นตอนหนึ่งสองสามสี่เพราะมีสินี้สินี้จึงมีนี่เป็นตอนอธิบายละเอียดเป็นวงจรสุดท้าย ถ้าเราอยู่ใน ว, วงจอรอันนี้นยัเรียกว่าบัตตาคือวนวนไปวนมาอยู่นู้วนจากเราคิดออกพบชาติมันวนมันไม่ใช่พบไม่เคยชาติคือความคิดคํำพูดการกระทํำนี่แหละมันวนไปเรียนมาอยู่อย่างนี้ไม่ไปไหนมาไหนเฮ้ยผู้หยาบไปหยาบอยูอยนั้นแหละผู้เรื่องเกา่าเราแก่ก็พูดอยู่อย่างนั้นแหะไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้อันนี้คือมบัตตาได้จริง คิดแล้วเปลี่ยนไม่ได้ทำแล้วเปลี่ยนไม่ได้หลับไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้แปลงไม่ได้เหมือนเดิมเรียกว่าเปลี่ยนทิฏฐิคือความเห็นตัวเองไม่ได้ทิฐิก็จะาำให้มานะถือตัวทนถือตัวคืออะไรถือว่าเราเขาเรียกว่าอหังการมั่มังการกลายเป็นนั่งกของเรานั่งกับของเขาก็เป็นอุปาทานขันยึดยึดเราเป็นของเราของเขาถืงแท้จริงมันไม่ใช่เลย จริงๆนี่มาตามมาทีหลังทั้งนั้นไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลตัวตนเราครับที <c oughs> ่นี้ความเป็นความไม่มีตัว ต, วตนในว่าอนัตตาแต่เราอยารู้รายละเอียดไปดูอา่านดูในเท释นการที่สองของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ดมีจัดเรื่องนี้อย่างละเอียดที่ท้วนเลยตัวต น, น, นธรรมดาโดยปกติแล้วมนุษย์ หรือว่าคนทั่วไปจะไม่มองไม่เห็นสิ่งเหล่านี้จิ่งต่ำกว่าความเป็นคนหมายว่าสภาพจิตในขณะที่สภาพจิตของเรานะต่ำกว่าความเป็นคนต่ำคนคืออะไรคือไม่มีสิทธิ์เลยจะดนึกอะไรไม่ได้เลยเพราะนั้นจิตของเราต้อเป็นได้ทุกอย่างทุกขณะเป็นเดี๋ยวนี้ตอนนี้ขณะนี้ชาตินี้ต้องไปรอชาติหน้า ว่าทำมดีราชาต้าจะเป็นอย่างนั้นชาตินี้เหรไม่ต้องเลยเป็นตอนนี้แล้วมันสามารถที่เป็นช่างมาบุควยหาเนี่ยได้ทำนั้นมาถึงจิตไม่เ ก, เกี่ยวกับร่างกายไม่ได้เลือกสัตว์บุคคลตัวตนเราเข่าชายจิงนักปวดไม่เป็นเนียแต่สติเรามองไม่เห็นเราเรานึกดึกไม่ได้พราะท่านที่รู้ว่าพูดอย่าพูดคายพูดมีดีพอรู้ตัวที่รู้ตัวคือสตินั่นแหละ ก็อ้าวเราพูดไม่ดีไปแล้วคิดไม่ดีไปแล้วทําไม่ดีไปแล้วนะคือกลายเป็นอดีตไปแล้วก็ไปเอามันแก้ไขไม่ได้แล้วแต่คนที่มีสติเนี่ยมันก็จะใช้สติก่อนใช้สติก่อนที่จะคิดใช้สติก่อนที่จะพูดใช้สติก่อนที่จะทําคือใช้ก่อนไปจะพูดแล้วมาใช้ทีหลังเนีคือความแตกต่างนักปฏิบัติกับนักไม่คนที่ไม่ปฏิบัติมันต่างกันอย่างนี้เคนทั่วไปก็ เ, เหมือนกัน มันจะต่างกันอย่างนี้นะต่างกันในตรงนี้ถึงวิธีคิดวิธีพูดวิธีทําแล้ววิธีทั้งสามอย่างนี่เอาเป็นธรรของกรรมหรือพฤติกรรมมันแสดงออกทางกายทางวิชาทางใจทางจิตถ้าใครควบคุมพฤติกรรมเหล่านี้ไม่ได้คุมกายตัวเองไม่ได้ควบคุมวิชาตัวเองอะไรคุมใจตัวเองะอะไรบุคคลนั้นเชื่อว่าไม่มีศาสนาก็เพราะว่าไม่มีธรรมไม่มีวินัย โดยเฉพาะอคือไม่มีสติจะอยู่ในสภาพใดก็ตามเพศใดก็ตามไม่เรียกบุคคลว่ า, าศาสนาเราจะเรียกคนเพศเดียวนันไม่มีาศาสนามันําอะไรได้ทุกอย่างเลยเพราะไม่มีกฎกติกาก็ อ, อยุ้งยนใดได้ทั้งสิน้นคือทอํย า, ยนะา ต, ตามเอาเคยใจนะดีความแตกต่างนั้นความแตกต่างเหล่านี้มันสามารถที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ถ้าเรา นำมาคบคิดพิจารณาโอไตรกน้อมก็นฮในแต่ละวันทบทวนดูอย่างน้อยที่สุดก็เออให้มีสินในห้าข้อสองสามข้อเป็นดีนะว่าวันนี้อย่างน้อยก็คืออย่างน้อยก็เป็นคนละถ้าล่วงละเมิดหมดเลยนะ่ะโอเป็นคนไม่ได้เป็นสภาวะไม่ได้โดยเฉพาะคือคนไม่รู้จักกาลเศศะไม่รู้จักสติคือไม่มีสติสมประจัญญา ถ้าพูดภาษาเราง่ายคือคนบ้านเราเคยเห็นคนบ้าไหมมันจะโหร้องเหมือนกันโหร้องหยัดร้องไห้หรือร้องไห้คนเดียวของมัน่หมายกว่าจินตนาการอะไรขึ้นมานึกเรื่องคำขึ้นมากับหัวร้องเรื่องโสโคร้องขึ้นมาอันนั้นมันควบคุมไม่ได้อคุมสติตัวเองไม่ได้ในคืความอันตรายเหมือนกันที่เราเป็นอยู่ทุกวันก็เหมือนกันถ้าเรามีสติสัพพะเจน้อย ควคุมตัวเองไม่ได้มันก็แสดงพฤติกรรมบอกมาแล้วก็เราก็ต้นดงรับว่าคนที่รับผลนั้นคือตัวเราเรือาทายะผู้รับมรดกผู้รับมรดกจากสิ่งที่เรากระทํานั้นเองเพราะฉะนั้นมรดกนี้เ ร, เรื่องมรดกกรรมแต่ไม่ใช่เรื่องร้ายแรงกรรมของารทำของตัวเองแปลว่ามรดกนี้ถ้ากรรมตอนนี้เป็นกรรมดีเราก็ ร, รับมรดกที่ดีถ้ากรรมสิ่งที่เรากระทําลงไปน่ะมันไม่ดี เราก็รบมโดดที่ไม่ดีเป็นทายะที่ไม่ดีเพราะนั่นจะเราจึงเป็นทายาทคือผู้พึ่งสืบต่อถ้าเราสติเราไม่พร้อมสติเราไม่มีสติเรามีน้อยโดยการยืนเดินนั่งนอนด้วยความปร ะ, ประจักษ์สติอยากจะพูดพจะคิดจะทําอะไรก็ทําไปตามโดยใจตามไปสัญญาอารมณ์ที่จําได้หมายรู้ที่ผ่านมามัานก็แค่ชใช้แค่สัญญาอารมณ์แม้แต่ความเชื่อก็เหมือนกันว่าเชื่ออย่างนี้ ที่เราทําทําทุกวันที่ปฏิบัติทางแบบปฏิบัติตามความเชื่อก็จริงถ้าความเชื่ออะไรจริงที่เราเชื่อคืออะไรมีที่มามีที่ไปอย่างไรถ้าไม่มีที่มาที่ไปโดยเราไม่เคยก็คือคนไม่มีปัญญาคือไม่ใช้ปัญญาเลยใช้แค่สัญญานี่คือที่พูดประจํำอยู่เสมอมันแค่เห็นแค่สัญญาคือความจำความจําได้หมายรูปที่เราปฏิบัติต้องการให้เกิดปัญญา เมื่อปัญญามันเกิดแล้วเราสามารถจะคิดได้ด้วยตนเองพิจารณาเปรียบเทียบเทียม ว, ว่านั้นดีนั้นไม่ดีทำแล้วผลเป็นอย่างนั้นโอออกมาเป็นอย่างนี้เราจะรู้ได้ด้วยตนเองประจักษ์ตังเราจะรู้ก็เราจะเข้าใจสิ่งเหล่านเราจะเข้าใจเราก็จะไม่ทํำในสิ่งเหล่านี้สิ่งเหล่านั้นจะไม่เกิดขึ้นถ้าเป็นสิ่งไม่ดีมันจะไม่เกิดซึ่งถ้าเป็นสิ่งดีมันก็จะเกิดขึ้นคือเพิ่มเติมขึ้นใหม่อันอันนี้คืออานสิสงส เขาการปฏิบัติธรรมอันสงนมงเขคนมีธรรมวินัยเข้าใจทำอะไรโดยสติเป็นตัวกลางเป็นตัวยืนเป็นตัวชีวัดพรานสติตัวนี้อยู่ในอารมณ์ของวิปัสสนาหนึ่งในอารมณ์ของวิปัสสนาผู้ที่จะทําวิปัสสนาให้เจริญก้าวหน้าดได้บุคคลนั้นหนึ่งในนั้นต้องมีสตินี่คือองค์ประกอบของเรียกว่าวิปัสสนา สัญญาณหรือความรู้ที่เกิดจากการปรัสนาเป็นเรื่องหนึ่งปรัสนาแปลว่าทั้งรู้แล้วก็เห็นด้วยไม่ใช่รู้อย่างเดียวทั้งเห็นด้วยทั้งรู้ด้วยจึยงเรียวกว่ามีปรัสนารู้จากข้างในกอเห็นก็เห็นจากข้างในรู้ก็รู้จากข้างในไม่ใช่ตาหนอ่องเป็นตาในาตานอกคือตาเนื้อตาหนังตาในคือปัญญาคิดได้ตัวตื่นเต้นอันนั้น นักเกิลอารมณ์ปริศนาคนที่มีรมณปริศาเริ่มต้นจากความเพียรเ้าก็เพียรไม่พอความเพียรไม่ต่อนเนื่องอย่าไปถามหาเลยวสติจะต่อนเนื่องอยังไงเพราะเขาเพียรนัไม่ต่อนเนื่องเพราะนั้นก็าเพียรจะว่าปะโยชน์ใดก็ตามหรืว่าจะตื่นกันยืนเดินนั่งหรือแม้แต่นอนด้วยความมีสติสติธรรมะขั้นหนึส่สติีต่อนเนื่องแล้วยกมาพิจารณาอะไรก็ได้ ที่ไปสอนจิตของเราให้เข้าใจให้เรารู้ทเรียกว่าปัญญาเรารู้ในกองสังขารสังขารคือสิ่งที่เราปรุงในความหมายเรารู้ในกองสังขารคือเรารู้สิ่งที่เราปรุงเรารู้สิ่งที่มันเกิดขึ้นในขณะนั้นจนจิตเราไม่ปรุงไม่แต่งจากสังขารเป็นวิสังขารจากสังคตธรรมก็คือที่ปรุงแปง่งเป็นอสังคตธรรมคือไม่มีอะไรมาปรุงมาแต่ง มันลําจอนหมนแล้วใจมันเปลือยแล้วใจมันเข้าใจแล้วมันเข้าใจว่านี้กายอันนี้ใจนะกายอันนี้เมื่อมีใจเมื่อมีจิตคือครองแล้วก็เหมือนกับบ้านไม่มีคนอยู่เป็นบ้านร้างเราวันที่ผุพังย่อยสลายไปตามกาลเวลาเหมือนร่างกายถ้าไม่มีจิตสิ่งอยู่อาศัยอยู่มันก็เหมือนกับบ้านร้างเหมือนกับฝังตอนเนี้ยบ้านร้างเลยก็รอแต่เผารอแต่ฝัง หมดสภาพพฤกาะผู้เราก็เหมือนกันทุกคนไม่ตามกันเลย น, ะนี่ปัญญาจกตดมาะแต่ที่เราใช้คมอมคิวเเยอะๆจิตมันจะเข้าใจโดยสบพบมันจะไม่หลงมันจะหลุดจะไม่ประมาทนะเพราะฉะนั้นคําว่าคนที่มีสติคนที่ไม่ประมาทนั่นแหละโดยประมาทคํำนี้จึงเป็นคําที่พระเจ้าฝากสั่งเอาไว้ เป็นครั้งสุดทานเป็นห่วงพวกเราถึงขนาดนเป็นห่วงเวเนยสัต์ถึงขนาดนเป็นห่วงสาวกถึงขนาดนี้ท่านจะไปอยู่แล้วท่านกำลังหวงพวกเราแล้วไปแปดสิบปีในขณะที่จะนอนอท่านจะไปท่านนอนถ้่ก็ยังนึกถึงวเราพรานั้นพวกเราครจะเอาเยี่ยงเอาจากพระพุทธเจ้าอะไรก็ได้ที่เป็นความดีอะไรก็ได้ที่าได้คือปฏิปทา พูดยังไงเขพูดเช้าในการดำรงชีวิตก็ตามหรืออะไรก็ตามในชีวิตประจําวันการที่เราทํอย่านี้ก็เรียกว่าทุดลงขวัญอะไรก็ได้ในภาษาการนี้ขอให้ทำอย่างจริงจังมันจะเป็นบารมีอย่างใดอย่างหนึ่งในสิบบารมีจะไาเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องภาวนาเรื่องหนึ่ ง, งก็ทำหรือสัจจ์ที่เราทำเป็นประจําสองเดือนสามเดือนแล้วอยากได้อะไรก็ขอขอข อ, อธิษฐาน เอเตนะสัจเจนะด้วยความสัต์นี้แต่ถ้าเราไม่เคยทําอะไรเลยเร า, ออานะก็อธิษานเอเตนะสัจเจนะด้วยข้อสัตมนี้สัตวาอะไรอ่ะเราเคยทําอะไรสักอย่างยืนเดินแน่นอนหรือกลมไม่มีสติเลยแล้วบอกด้วยความสัตมนี้สัตว์นะไรสัรจจะอะไรมันไม่มีเนี่ยต้องทําให้มันได้ก่อนแล้วค่อยปทิฐานจึงจะได้ขอทําำของก็ขอ ไม่ใช่ขอประพาวโดยไม่ต้องทําอะไรเลยมันไม่ใช่อย่างไรก็ตามถึงขอไม่ขอก็ตามถ้าเราปฏิบัติจริงทําจริงสิ่งเหลนี้มันก็จะเป็นจริงเรือบารมีก็ทําให้เราเต็มได้ซึ่งปัจจุบันนี้เรายังบารมีเรายังไม่พอพูดง่ายๆก็ยังไม่เต็มถ้าพูดเราง่ายๆก็คือคนไม่เต็มบาททุเรายังไม่ค่อยเต็มบาทตนี้ยังไม่เต็มเป็นถ้าเต็มบาทเมื่อไหร่กัหมด เหมือนกับพอแม่ครูอาจารย์เท่าไหรทันเต็มแล้วทันพอแล้วใส่เท่าไหร่ทันล้นทันก็พอคือบารมีทันเต็มแล้วพวกเรากำลังฝึกหัดเพื่อสร้างบารมีในทุกเรื่องเมื่นั้นก็เรือ่องอะไรก็ได้ที่เราทำได้ง่ายในภาษาการขอให้ตั้งจิตขอให้ตั้งใจขออธิษฐาน ต่อวันก็ได้ถ้าทําำห้าวันม่ได้เอาวันเดียววันพระวันโกนวันไหนก็ได้ตั้งเจตนาฐานมันจะเป็นนิสัยแล้วก็เป็นบารมีกัแบพวกเราบารมีใครสร้างเราไม่ได้ไม่เกิดใครทำเราได้เราเท่านั้นที่สร้างตัวเองได้เพราะฉะนั้นในขณะที่เรายังมีครองขันขืดมีทั้งรูปมีทั้งนามมีทั้งกายมีทั้งใจบริบูรณ์อยู่ถือว่าโชคดีเป็นโ อ, อกาส เป็นเวลาที่พวกเราทีต้องเร่งรีบแสวงหาทำความเพียรให้มันได้ในชีวิเรืยองนั้นโดยความเพียรนะจะเป็นตัวเร่งจะเป็นตัวเราจะเป็นตัวเผากิเลสให้เรามันร้อนจากที่มันเย็นสบายต้องทำเลยพอเร่งไฟมันก็ร้อนกิเลสมันจะร้อนหมดร้อนทั้งตัวร้อนหมดลมมก็เดือดร้อนลมที่มันปกติมันก็ไม่ปกติไฟที่มันปกติมันก็ไม่ปกติน้าที่ปกติมันก็ไม่ปกติ คือดินน้ำไฟลดมันเดือดร้อนหมนเพราะมันถูกเผาเมื่อเผาเสร็จแล้วลองเอาไปตีมันเหมือนเหล็กก็เผาได้ที่เราเอาไปตีไปตไปีเป็นรูปเป็นร่างเพื่อจะเกิดปัญญาเป็นรูปเป็นร่างเมื่อปัญญามันเกิดแล้วพุทธมารี่มันเป็นมีดเป็นห อ, อกแล้วเอาเมีดเนี้ยไปฟาดฟันกิเลสไปทิ้มแทงกิเลสเมื่อก่อนเราโดนกิเลสทิ่มแทงตอนนี้เรามีออกอดาเป็นอาวุธแต่อาวุธนี้เป็นอาวุธที่เกิดจากปัญญา เพระนั้นท่านจึงว่าปัญญาปร ด, ด, ดังอาวุธคือความหมายอันนี้ก็ใช้อาวุธคือปัญญานั่นแหละไปประหารประหารมันฟันมันมั่เอาคืนมันกิเลสที่มีมอยู่หรืไ ม, ม่เนาความใจเรามาช้านานมันก็จะกลาปัญญาแต่ถ้าเรามีปัญญาคือไม่อยู่ดิจะอะไรไปสู้กับมันตันนี้มีอาวุธเลยจะไปสู้กับมันเลยเราก็แพ้แพ้แต่ญั ง, งเราไม่ได้ต่อสู้กันเลยเพราะนั้นที่เราทํา็เพื่อเรามีอาวุธ เราิ่มาอาวุแล้วก็มืกับมันเป็นอาวุธมันเป็นแสงสว่างก็คือปัญญานี่เองตอนนี้ปัญญาเรามีแต่มันน้อยศรัทธาเรามีแต่วันไม่ต่อเนื่องปัญญาก็เช่นเดียวกันขอให้มีศรัทธามุ่งมันงม่นตั้งนั้นขอให้มีปัญญาให้รู้แจง้งจริงจริงในบางเรื่องในบางอย่างให้เข้าใจบางเรื่องบางอย่างแล้วก็ต่อยอดให้มันสว่างมากขึ้นให้มันเพิ่มมานขึ้น สินแจกมันไม่ต่อเนื่องให้มาต enfin ่อเนื่องหมดแจกสินธรรมดาจากสินให้สินแบบก็เป็นนิจจสินก็สินสม่ำเสมอเลยสินต่อเนื่อตั้งแต่เกิดจนตายก็เรียกนิจจสินแล้วสาอยู่ไปยังเป็นนิจจสินสินนั้นจะเป็นรองรับจะเป็นพื้นฐานถ้าเราขยับต่อยอดไปสูงขึ้นกว่าเก่าดีกว่าเก่ากลับมาอีกทีดีกว่าเก่าจะไม่แย่กว่าเก่านะอันนส่งของกาคนมีสินอันนี้คือหลักหลักคิดหลักปฏิบัติ ดังนั้นเราทั้งหลายอย่าไปท้ออย่าไปถอยในภาษาการนี้เราเห็นทุกวันเลยเนี่ยมาเราจะเห็นว่าหลายกระเพาะลายสินแล้วเราก็จะเห็นาคนไม่มีบ้านมีแต่บ้านแต่ไม่มีคนอยู่ก็คือคนตายนันเลเหมือนตอนนี้มีแต่บ้านแต่ไม่มีคนอยู่แลอวเจ้าบ้านไปไหนก็ไม่รู้เราเหมือนกันวันหนึ่งเราต้องออกจากบ้านหลังนี้ไปเหมือนกันหมดถ้าจะไปไหนเลยเย บ้านอีกใครไปบ้านร้างเป็นเรือนร้า ง, มางเมื่อร้นแล้วเนินร้างเรือนไม่อยู่คนไม่อยู่เขาก็เรียกว่าผีเราเองคนหนีผีเข้าโบราณเราบอกคนหนีผีเข้าผีเข้าอยู่หรือเราอยู่ด้วยความไม่มีสติมันก็ไม่ต่างกันเลยคือความเป็นคนมันหนีไปความเป็นผีมันเข้ามาสารพัดผีเลยผีเราผีโกดผีหลมเข้ามาในตัวเรามาเต็มบ้านเต็มจิตเต็มใจเต็มไปหมด ก็มีแต่ผีในชีวิตประจำวันของเรานี่คือความเป็นผีมันไม่มีความเป็นคนความเป็นคนมันหนีหมดแล้วความเป็นผีมันเข้ามาแทนเราก็เห็นทุกวันนะผีพนันมังผีเลาวขียาผีโรวิโกรผีหลองข่ากันตายนะผีทั้งนั้นคนก็ไม่ทํากันมนุษย์เขาไม่ทํากันมีแต่ผีเท่านั้นที่ทํากันเจนที่เราไปฝึกไม่ปฏิบัติมันก็จะเป็นอย่างนั้นเราก็เห็นกันอยู่ในชีวิตประจำวันเพราะฉะนั้น สิ่งเหล่านี้ทั้งหมดทั้งปวง่เป็นเครื่องอุปมาวิมัมยสอนเจียนสอนใจของพวกเราให้เข้าใจอย่างนั้นอย่างจริงจังจะได้มีกําลังในการปฏิบัติต่อๆกันไปไม่ว่าจะเป็นวันไหนเดือนไหนปีไหนก็ตามเราจะได้มีกําลังใจในการ name, ปฏิบัติจะได้อุปมาอวิมยเพียบเทียบอย่างน้อยที่สุดจะได้มีแนวแนวนึกในกคิดแนวปฏิบัติเรว่างคนมีหลักหลักในการคิดหลักในการพูดหลักในการกระทําบุคคลมีหลักแล้ว เชื่อมัน่นเ่กิดาความเชื่อมัน่นความตั้งมัน่นความมั่นใจความมั่นคงของชีวิตจิตใจมันก็จะเพิ่มขึ้นไม่มีหลักร้อยไปเรื่อยเบื่เราก็จะมั่นใจว่าโอ้เราเกิดมาแล้วไม่ขาดทุนแน่นอนไปอีกทีหรือมดีแน่นอนแต่จะให้ดีที่สุดก็คืออย่าให้มันมากพบมากชาติเป็นเรื่องดีหนึ่งครั้งสองครั้งสาครั้งย่ายครั้งย้าเกินเจครั้งคือเจ็ดชาติ เป็นอย่างน้อยซึ่งทําได้บูญชอก็อยืนยันว่าถ้าใครทําอย่างจริงจั ง, จงปฏิบัติอย่ต่อเนื่องหลักการนี้ก็คือหนึ่งความเพียรแต่ตรงต่อเนื่องนะัะโดยอีวุฒดก็ตามท่าในใดก็ตามความเพียรจะเผาเผาจนเห็นน้ามันร้อนสองความเพียรเสร็จแล้วต้องมีสติด้วยนะคือต้องเกิดสติไม่งั้นสติมันเตลิดไม่ได้ต้อมีสติสตินั้นต้องอยู่กับตัว คือแนบกี่วกับตัวทั่วร่างตัวกลลายเรยสัมมชานุคือรู้ท่บเหมืหอนเราคนหลดลมหายใจเรียนสอนก็ให้กนหลดลมหายใจเอลมหายใจเพิ่มให้เหมือนตั้งแต่ปลายจมูจกถึงสมองถึงปลายเท้าถึงช่วงขาก็หลดลมหายใจเรากาหนดลม ห, หายใจอย่างนี้กลุรมร่างเข้าออกเข้าออกเข้าออกจนจนมันอัดขัดเครื่องทรมานเพราะอาตาปีแปลว่าความเพียรทำจะเดเท่าก้อน มันอัดขัดข้อมันไม่เคยถูกบังคับทรมานขนาดนี้ก็ทํามันอยู่อย่างนี้อืมจนสุดท้ายจะมันยอมจะมันจะมันหยุดนี่ฝึอจิตสมบัตนเองเมื่อจิตสงบติมันจะรู้มันเจนเรนจะเข้าใจเพราะมัอารมณ์แปนเดียวอารมณ์เป็นหนึ่งสัพพสิงัห์ทมบรอบตัวเราบข้างรอบกายอะไรจะเกิดขึ้นมันก็รู้ที่พูดจิตสมบเกิดขึ้นเนี่ยรับรู้ตั้งอยู่ใหพิจารณาต้องใชว่าพิจารณาเราจะเข้าใจสัพพสิ่งห์นั้นๆตามความเป็นจริง เมื่อสิ่งร้ายเกิดขึ้นแล้วปัญญามันก็เกิดนี่ย ค, คือหลักหลักทั่วไปที่ใช้อยู่ที่พูดไมด่ได้พูดสักแต่ว่าพูดผ่านการตอ่อการพิจารณาทดลองทดสอบแล้วก็ลงมือทำแล้วโดยแนวนี้โดยหลักการนี้ใช้ได้แล้วก็ใช้ได้กับทุกคนเพราะฉนั้นอย่าให้ทุกค น, กค น, กคนเราทั้งหลายอย่าท้ออย่าถอยแต่ว่าเวลาหรือโอากาสของเราอาจจะมีน้อยเวลามีก็ก็จะทํ า, าทให้มันเต็มที่ในขณะที่เรามีโอกาสมีเวลาอยู่ทําให้มันเต็มที่ ได้เท่าไหรเราก็ทําตามกําลังตามสตางค์ถ้าเรามีอยู่เชื่อมั่นเราเกิดว่าเราทำอย่างนี้ถ้าจิตใจเรามุ่งมั่นตั้งใจอย่างนี้สม่ำเสมอจิตใจเราก็จะพัฒนาขึ้นดีขึ้นรู้จักตัวเองมากขึ้นรู้จักตัวเองมากขึ้นก็รู้จักคนอื่นมากขึ้นในขณะเดียวกันเช่นเดียวกันการรู้จักตัวเองดีขึ้นกว่าเขาดีกว่าไปรู้จักคนอื่นทั่วโลกเพราะว่าแต่รู้จักคนอื่นนะไม่ได้ประโยชน์อะไรเลย เพราะมันไม่เกี่ยวอะไรกับเราเลยแต่ถ้าเรารู้จักตัวเองนะเออเราจะรู้เออตอนนี้เราอยู่ในระดับไหนเราค an, ิดอย่างไงพูดอย่างไงทำอย่างไงคิดไปแล้วเราเดือดร้อนไหมคิดไปแล้วคนอื่นเดือดร้อนไหมพูดแล้วเราเดือดร้อนไหมคนอื่นเดือดร้อนไหมทําไปแล้วเราเดือดร้อนไหมคนอื่นเดือดร้อนไหมนั่นแหละคือสติสติมันเกิดแล้วอริสสงก็เกิดเป็นอย่างนี้ถ้าเราคิดได้อย่างนี้นั่นคือคนมีสติแล้ว ก็ต่อยอดไปต่เรื่อยๆงมันไปเรื่อยมมไปไปให้มีสติสมาธิปัญญานั่นคือปฏิปทาคือแนวทางการในวชีวิตของพวกเรานอกจากนี้ไม่มีเลยที่ทางไปมรรคผลนิพพานทางสูมม่มรรคผลสูขข่เป้าหมายของเราไม่มีเลยเหล่านั้นเป็นการเรื่องนอกลู่นอกทางเขาปงเขาป่าเขาลก็กไปไหนไม่ถึงชาติไหนก็ไม่ถึงนี่ยนี่คือทางตรงแล้วไม่มีทางลัดไม่มีทางอะไรทั้งสิ้ คือทาที่ผู้เจ้าบอกกือทานี้นะท่านหนึ่งก็เรีย ก, กว่าอริยภพองเปรอะมุสสิสุที่ปัญญานี่แหละสุดท้ายมันต้องเกิดปัญญาถ้าไม่เกิดปัญญามันก็ไปไม่ถึงไม่มเกิดปัญญามันก็มองอะไรไม่เห็นไปเพราะคือปัญญารู้แจ้งจริงๆตับวามจริงในกองสังขารของตัวเรานี่แหละเป็นเรื่องดีๆที่สดุดวันนี้ก็ขอธมทานาความดีที่พวกเราทั้งหลายได้ตั้งจิตตั้งใจออกจากบ้านมาเพื่อ มาปฏิบัติปฏิบัธรรมจําส้นปองพอนนรนาเครื่องชีแจงงเราเจริญได้ขึ้นก็หวังว่าอานิสงส์การปฏิบัติธรรมจําส้นพรนางในครั้งนี้ก็จะเป็นเครื่องประปารักษาคุ้มครองดูแลเราเหมือนำกำากลงต้นว่าทำรักษาใจวินัยรักษากายโดยความมีสติทุกคนทุกเมือ่อคอยเร า, าหลายได้มีความสุขความจเจริญทุกคนทุกท่านเถิด